ติโลมะปุโคโลกาเฮกะมูลกะในร้อยแปดสิบเจดอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุใสอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละปฏิคานุัย บุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสยัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนนาคามีมากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละการมาราคานุสยัยและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสยัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอนาคาไมมักในเวทนาสองในกาม า, าธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละการมาราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรู ป, ปราธาตุอรู ป, ปราธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุใสยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามาราคานุใสยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วย อ, อนาคามิมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละปฏิคานุใสยและก็ไม่ใช่ละกามาราคานุใสยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามาราคานุใสยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมัก ในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามาราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที an esting, ่ไม่นับเนือในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามาราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมักแล้ว บุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละมานานุัยปติบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามาราคานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียนด้วยอนาคามิมักในเวทนาสองในกลามาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละกามราคานุัย บุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุกบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละมา น, านุสัยและก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอนุ บุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสาในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึ่งในวัตทุก บุคคลนั้นไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนนาคามิมรักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละการมราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนนาคามิมักในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไมิละกามาราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับนู่นเมวัตะทุก์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามาราคานุใส เ้นบุคคลผู้พร <planets together. S 2> ้อมเพรียงด้วยอนาคามิมัคและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิชานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามารานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมัคในรูปธาตุและรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามธาตุและในสภาวะธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุใส และเพราไม่ใช่ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละการมราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละการมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนา ในรูปธาตุอะรูปธาตุและในสภาวธรรมที่มินับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกา ER รมราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงเรื่มมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละภวราคานุสัยแ <to you? S 2> ล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใด บุคคลนั้นก็ไม่เช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมฮุยบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอรหัตตมรรคในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่เช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละอวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่เช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่เช่อละอวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่เช่ละการมาราคานุสัยแล้วก็ไม่เช่อละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่เช่อละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่เช่ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักในเวทนาสองในกลารมรธาต บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมาักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัย แล้วก็ไม่ใช่ละการมาราคานุใสร้ยแปดบอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักษ์ในเวทนาสองในกลามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกขบุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอังเกิดจากาธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละมานานุสยัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู paved, พ้พร้อมเพลียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละปฏิคานุสยัยและก็ไม่ใช่ละมานานุใสปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุใสอันเกิดจากาธาตุดใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอังเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหม วิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุใสยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุใสยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัย เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงเรื่อมรักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละมา น, านุสัยและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิด จ, จากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิด จ, จากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสามในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไมละวิจิกิจานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัย ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุในรูปธาตุและรูปธาตุ และในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคลบคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละภวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในความธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตะทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละภวะราคานุสใสอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมรักในทุกครเวทนา บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมธาตุในรูปธาตุและรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรกแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรัคษในเวทนาสามในการมธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละอวิชานุสยัย บุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรกแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามธาตุในรูปธาตุรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรกแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละปฏิคานุใสรอยแปดสอนุบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจิฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสามในกลา ม, มาธาตุ และในรู ป, ปาธาตุอาารู ป, ปาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ใ น, นละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึกในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละมานานุสัย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 ในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสยแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุใสยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 บ, บุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหัตมรักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละภวราคานุัยแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรรคในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรมแล้ว บุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละมานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปติบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อเกอนุบุคคลใดไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ บุคคลใดไม่ใช่ละวิจิขิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่1ออนุบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิขิจานุสสยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักในรูปธาตุและรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละภวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่นละภวะราคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลี่ยนด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใส แล้วก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคนนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิชานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคนนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมตละวิจิกิชานุัยบุคคลนั้นนั่นแหละ ในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุกบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุสัสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตธรรมและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละภวราคานุสัสและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัสอนุบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่เชนละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตธรรมในเวทนาสามในกลามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่เชนละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละอวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่เช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุใสเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหัตมรักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสามในกวามมรรค และในรู ป, ปราธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ม่ละวิจิกิจานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอรหัตธรรมและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัย แล้วก็ไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสัย192อ น, นุบุคคลใดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ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 ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภว ะ, ร า, ะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่เอกะมูลกระในจบทุกกะ ม, มูลกะในร้ออนุบุคคลใดไม่ใช่ละกะมามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไมละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามาราคานุัสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุัสอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามาราคานุใส และปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละกามราคานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุกบุคคลนั้นไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละปรามราคานุสัสและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลิงเ้ื่อมากแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละมานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละปรามราคานุัยและปฏิคานุัยอ น, นุ บุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคล um. บคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสามในกลามทธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ในละวิจิกิจชานุัยบุคคลนั้นนั่นแหละ ในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคาไม่มักและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละการมราคานุใสปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามาราคานุส CH ัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจ <ata> ิกิจฉานุส BUR ัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่เนื้อการมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอารูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนู่นในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุใสปัตตุคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคาไมมักและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิจานุใสแล้วก็ไม่ใช่ละกรมราคานุสัย ปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงเรื่องอรหัตมรักในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสและปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละภวะราคานุใส บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามาธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสยัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสยัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเปลืองเรื่อมักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุสยัยและก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสยัยปฏิ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 บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่ละการมาราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและนิสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลงด้วยมรกแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมด ไม่ใช่ละภวะราคานุใสแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละปรามราคานุใสและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียนด้วยอรหัตมรักในเวทนาสามในกรรมธ า, าตุและในรูปธาตุอารูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสและปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละอวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่มีนับหนึในวัตตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมร๊ะแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุใส ปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยและกามารานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมืละปฏิคานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบ like ุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละกรรมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องเนือวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกรรมราคานุสัยปฏิคานุสัย เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุสัยทุกกะมูลกะในจบเตกกะมูลกะในร้ 194. อเก้าอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสและมานานุสัยอันเกิดจากท่าดใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากทา่านนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมื่อวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรรคและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมา น, นานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัย ปฏิคานุสัยและมานานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยกรรมราคานุสัยและมานานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ม่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรมธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ใละกามาราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธปาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ม่นับเนื่อเนือวัตะทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหรัตธรรมในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยกลามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมื่ละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ม่นับนึ่งในวัต Guerra ทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกลามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวก ผู้พร้อมเพลียงด้วยมรรคและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละวิจิกิจานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุใสปฏิคานุใสมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 บุ ios, คคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุใสปฏิคานุสั ย, สยและมานานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละใน ร, รูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึกในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุใส บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุใสกรรมราคานุใสและปฏิคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละมานานุใสบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งหรือวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกรรมราคานุใสปฏิคานุใส มานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุใสปฏิคานุสัยมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุใสและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอรหัตมัคในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุัยปฏิคานุัสและมานานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละอวิชานุัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุัส เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคในทุกขเวทนา บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุใสกรรมราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนละกรรมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึกในวัตถุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเปลียงด้วยมรักแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละกามาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสัย ต, กกติกะมูลกะในจบเจตุกะมูลกะในร้อยเ้าสบห้าอนุ บุคคลใดไม่ใช่ละกามาราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในความมาตาบุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่นีละกามราคานุใสบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุใสปติคานุใสมานานุใสและทิดานุใสบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตตมรักษในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมลละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัฏฏะทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัย เว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมารและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่เช่นละวิจิกิจานุสัยและก็ไม่เช่นละกามราคานุสัยปัิตานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยเก้อนุบุคคลใดไม่เช่นละกามราคานุสัยปัิตานุใสมานอนุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสเทศานุสัยและวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสามในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุใสปัมมาราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละปัมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัย ทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนนาคาม่มักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุสใสปรมราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยแต่ม่ใช่เมละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย ทิดฐานุสัยและวิจิกิจชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละการมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปรธาตุอารูปรธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิดฐานุใสและวิจิกิจชานุใสบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอารหัตมัก ในเวทนาสองในการมาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุใสกรรมราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุใสและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกรรมราคานุใสปฏิคานุใส มานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิฉานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลงด้วยมรรคและบุคคลที่ 8. ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุัสมานานุัยทิฏฐานุัสวิจิกิฉานุัยอันุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุัสปฏิคานุใสมานานุ uhm? like ัยทิฏฐานุัย วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิตคานุใสมานานุใสยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เมละอวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละ ในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยอันกระจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรรคและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใส และวิจิกิจชานุสัสแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัสปฏิบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัสปฏิคานุสัสมานานุสัสทิฏฐานุสัสและวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยการมราคานุสัยปฏิคานุัสและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ีไม่ใช่เมตระทิฐานุัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุัสปฏิคานุใสมานานุใสทิฐานุัยและวิจิกิจฉานุัย บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุัสกามราคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่นละปฏิคานุัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรักและบุคคลที่8ดแล้ว บุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิตานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยปัญจกะมูลกะในจบฉักกะมูลกะในร้อเจอนุบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุใสปฏตตานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิชานุสัย Blue แ, และภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักษ์ในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่นี่อละอวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละ ในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตถุบุคคลนั้นไม่เชละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่ละอวิชานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใส ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยภาวะราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชานุัสปติบุคคใดไม่ใช่ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุัยปฏิคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ในเวทนาสามในกามธาตุ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 ปฏิคานุสัยมานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสัยปรามราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนลละปฏิคานุสัย บุคคล น, น, นั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุสยัยปฏิคานุสยัยมานานุสยัยทิฏฐานุสยัยวิจิกิจานุัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีละกรมกราคานุสยัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุกบุคคลนั้นไม่ใช่ละอวิชานุัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุสัยและภวราคานุใสเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8ดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่ละอวิชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุใส ภาวะราคานุสัยชากระมูลกะในจบปฏิโลมในปชหณวาระจบปชหณวาระจบ